เรื่องน่ารูกบสมุนไพรข้าวตองโดยเพศจกรอุดมรินคำเกิดแก่เจ็บตายกันทุกตัวตนหนีไปไม่พน้นจำต้องเพื่อจนโรคใครสู่ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านรายการสาระความรู้เพื่อสุขภาพในวันนี้ผมนำมาจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสั ป, ปดาห์ฉบับประจำวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ปีที่33 ฉบับที่1680วันนี้ผมนำเอาเรื่องของธรรมชาติบาบัดเขียนโดยนายแพทย์บรรจบชุนหะสวัสดิกุลคุณหมอท่านเขียนเรื่องกินเนื้อไม่ดีกินผลไม้ซี่ดีกว่าความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงในเนื้อหาของบทความเขียนไว้ดังนี้นะครับบอกแล้วว่ามิติสุขภาพต้องประกอบโดยมิติทั้งสาคืออาหาร การบริหารกายและการบริหารจิตซึ่งผมถือโอกาสฤดูกินเจหยิบ ป, ประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งฉบับนี้ขอขยายความเรื่องอาหารและเรื่องบริหารภายในบริหารกายในภาค พ, พิษดานต่อไปก่อนอื่นเรื่องอาหารสุขภาพเมื่อสังคมของเราก้าวสู่ยุคบริโภคนิยมบุคคลนิยมกินเนื้อสัตว์และไขมันกันอย่างฟุ่มเฟือย จนเกิดโรคจากภาวะโภชนาการโลนเกินเกิดขึ้นจึงเกิดกระแสด้านกลับที่เผยแพร่ว่ากินเนื้อสัตว์ไม่ดีกินไขมันไม่ดีแต่กินผักผลไม้นั่นสิจะดีต่อสุขภาพจากนั้นก็เกิดกระแสกินเจและมังสวิรัตจนถือกันว่าอาหารเจหรือมังสวิรัตเป็นอาหารพื้นฐานของการรักษาสุขภาพนั่นควร น, นับเป็นความรู้สึกเบสิก คือแนวทางสุขภาพระดับอนุบาลแต่ข้อคิดก็มีอีกว่าเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีคนที่ละเลิกการกินเนื้อสัตว์หันไปกินเจหรือมังสวิรัตแต่กลับพบว่าตัวเองอ้วนปวดข้อปวดเขา่าเป็นเบาหวานกระทั่งเป็นมะเร็งก็มีบางคนจะลดความอ้วนก็เลยไม่กินอาหารมื้อเย็นแต่กินผลไม้จานใหญ่ยิ่งกินก็ยิ่งอ้วน บางคนถือว่าน้ำผลไม้ไม่ดีเลยดื่มน้ำผลไม้สำเร็จรูปวันละสองลิตรยิ่งกินก็ทั้งอ้วนทั้งไตรกรีสลายสูงมีอยู่รายหนึ่งเข้าโปรแกรมสุขภาพของบริษัทขายวิตามินโดยให้กินวิตามินของเขาแล้วกินผักผลไม้เป็นจำนวนมากปรากฏว่าเขากินผลไม้วันละ6กจานผลไตรกรีสลายในเลือดพุ่งกระฉูดถึง400มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ปกติคือไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตเหล่านี้คือการเหวี่ยงไปสุดขั้วของการรักสุขภาพแต่ไม่พิจารณาให้ดีถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยกระดับความรู้อาหารสุขภาพขึ้นสู่ขั้นมหาวิทยาลัยไม่ใช่แบบเด็กอนุบาลที่มองทุกอย่างด้วยทัศนะด้านเดียวเนื้อสัตว์แปวลว่าเลวไขมันแปวลว่าเลวผักดีและผลไม้ก็แปลว่าดีทุกวันนี้โรคอ้วนโรคเบาหวาน กลายเป็นศัตรูตัวใหม่ของประชากรในประเทศที่ร่ำรวยใหม่เหตุผลเพราะว่าพวกเขาร่ำรวยมากขึ้นจึงนิยมบริโภคมากขึ้นเกิดนิสัยกินจุบจิบและกินหวานและอาหารที่มีอยู่โดกดืนที่สุดซื้อหาง่ายฉีกกินได้สะดวกก็คืออาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตไม่เชื่อคุณลองเดินเข้าไปในงานแฟร์หรือตลาดนัดสักแห่งหนึ่งมองไปรอบตัว คุณก็จะเห็นว่าอาหารที่เสนอขายส่วนใหญ่ล้วนเป็นพวกขนมที่ทำจากแป้งและใส่รสหวานกันทั้งนั้นครั้นอาหารเอามาทำให้สำเร็จรูปก็ไม่แคล้วจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ถูกบรรจุอยู่ในซองพร้อมให้ฉีกกินเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะประการที่1นึ r งคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารกลุ่มที่มีราคาถูกสุดดัดแปลงให้พร้อมกินได้ง่ายประการที่2คือคาร์โบไฮเดรตเป็นเชื้อเพลิงที่ย่อยเร็วดูดซึมเร็ว และสลายความหิวได้เร็วแถมเมื่อเข้าร่างกายก็เผาเร็วและหมดไปเร็วด้วยคนจึงกินแล้วกินอีกวันละหลายๆครั้งเป็นเหตุให้เกิดโรคอ้วนโรคไขมันเลือดสูงโดยเริ่มจากไตรกริสรายก่อนแล้วถูกเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลอีกทีหนึง่งสุดท้ายก็เกิดเบาหวานตามมามีธรรมชาติอีกประการหนึ่งที่อัตราโรคเบาหวานในประเทศดัมรวยใหม่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะประเทศเหล่านี้ยากจนมาก่อนอดๆอยากๆสมัยเด็กทําให้ร่างกายเติบโตขึ้นมาตัวเล็กกว่าที่ควรจะเป็นร่างกายที่เล็กจึงมีความจุอาหารที่เติมเข้าไปได้น้อยกว่าเสมือนยุงฉางขนาดเล็กเติมข้าว เ, เข้าไปหน่อยก็ล้นโกดังพอประชากรเหล่านี้รวยขึ้นก็กินมากขึ้นแล้วคว้าจับเอาคาร์โบไฮเดรตมากินได้ก่อนอาหารอื่น ผลก็คือน้ำตาลล้นความจุโคดังเร็วกว่าปกติในวงเล็บปกติเราจะเก็บในรูปของไกลโคเจนในกล้ามเนื้อและตับพอล้นโกดังก็หกออกมาในกระแสะเลือดกลายเป็นเบาหวานกันเยอะแยะแถมด้วยความเข้าใจผิดแบบสุดขัว้วที่เกิด น, นิยมกันว่ากินไขมันเป็นสิ่งเลวผักผลไม้เป็นสิ่งดีคนจานวนนี้จึงกินผลไม้หรือน้ผลไม้เยอะ ถึงกับกินผลไม้เพื่อลดความอ้วนผลก็กลับทําให้อ้วนและเสี่ยงต่อเบาหวานหนักข้อเข้าไปอีกธรรมชาติบําบัดในยุคนี้จึงต้องเตือนให้ผู้คนให้อาหารให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วแต่สภาวะสุขภาพของแต่ละคนเราต้องขึ้นชั้นมหาวิทยาลัยในความรู้สุขภาพแล้วไม่ใช่ถือเอาตายตัวแบบเด็กอนุบาลถ้าเป็นมะเร็งย่อมจําเป็นต้องควบคุมเนื้อสัตว์และไขมันแต่ถ้าอ้วน เบาหวานกระทั่งไขมันเลือดสูงในกลุ่มไตรกริสไรสิ่งที่ต้องจำกัดคือแป้งข้าวและผลไม้แต่ควรหันมากินเนื้อสัตว์กินผักและไขมันพอกินได้บ้างจึงมาเป็นสูตรกินเนื้อกินผักลดน้ำหนักรักษาเบาหวานทีนี้ว่าโดยการบริหารร่างกายช่วยเติมเต็มสุขภาพกันบ้างการบริหารร่างกายแบบตะวันตกแบ่งเป็น2แบบคือแอโรบิกและ a อนแอ o b i ส่วนการบริหารแบบตะวันออกเป็นการใช้กายประสานจิตได้แก่โยคะและชี่กงการบริหารร่างกายส่งผลต่อการยืดหยุ่นร่างกายมวลกล้ามเนื้อและกระดูกการหมุนเวียนเลือดหัวใจปอดแข็งแรงช่วยระบบประสาทอัตโนมัติให้เร่งรัดและผ่อนคลายช่วยสงบประสาทช่วยนอนหลับและช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน การบริหารร่างกายส่งผลต่อสัดส่วนของไขมันเลือดซึ่งทำความเข้าใจแก่ผู้อ่านไว้ประเมินตนเองได้อย่างง่ายๆดังนี้เรามีไขมันที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางสุขภาพอยู่2กลุ่ม1คือคอเลสเตอรอล2คือไตรกลีเซไรคอเลสเตอรอลที่เราตรวจนั้นที่แท้คือคอเลสเตอรอลรวมหรือท o ทอนคอเลสเตอรอลซึ่งประกอบด้วยไลโปโปรตีน คอเลสเตอรอลสชนิดย่อยที่เรียกอย่างนี้เพราะมันประกรอบด้วย2ส่วนคือโปรโตีนกับไขมันนั่นเองกล่าวคือมีโมเลกุลของโปรโตีนที่ทําหน้าที่เสมือนรถบรรทุกที่คอยคว้าจับเอาคอเลสเตอรอลลำเลียงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองรถบรรทุกไขมันนี้มี3ขนาดเล็กกลางใหญ่ 1. VLDL คอเลสเตอรอลย่อมาจาก Very low density lipoprotein cholesterol เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กมันทำหน้าที่ลำเลียงไขมันไปอยู่ใต้ผิวหนังไปสะสมให้อ้วนในยามที่เรากินล้นเกินนั่นเองและคอยลำเลียงกลับมาเวลาที่เราอดอาหารค่าของ VLDL มักไม่แสดงไว้ในผลเลือดแต่มันมีค่าเท่ากับไตรกลีเซอไรด์หารด้วย5 2. LDL cholesterol ย่อมาจาก Low Density Lipoprotein like c h o ล r เตอ r o ลเป็นรถบรรทุกขนาดกลางทำหน้าที่ลำเลียงไขมันไปตามเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อเป็นวัตถุดิบเอาไปซ่อมสร้างเซลล์ร่างกายแต่เนื่องจากขนาดบรรทุกของมันไม่ใหญ่นักเวลาแล่นไปในหลอดเลือดจึงเกิดการตกหายตกรล่นตามรายทางพูดง่ายๆว่าทำให้ไขมันหลุดไปจับอยู่ในหลอดเลือดนั่นเองโดยทั่วไป เราไม่อยากให้มีไขมันตัวนี้สูงและยิ่งถ้ามันกระทบเข้ากับอนุมูลอิสระมันก็จะกลายเป็นออกซิไดซ์ L D L คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นอนุมูลอิสระที่น่ากลัวส่งผลให้หลอดเลือดอักเสบเนื้อเยื่ออักเสบและง่ายต่อการอุดตันหลอดเลือด 3. H D L คอเลสเตอรอลย่อมาจาก high density lipoprotein c h o r e s t e r o ลเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทำหน้าที่คอยเก็บกวาดไขมันที่ตกหล่นอยู่รายทางเนื่องจาก LD L D L คอเลสเตอรอลทำเอาไว้พูดง่ายๆว่าเป็นตัวพนัก ง, งานเทศบาลที่คอยกำจัดขยะในหลอดเลือดของเรานั่นเองโดยสรุปเราไม่อยากให้มี LD L D L คอเลสเตอรอลสูงและยิ่งไม่อยากให้มี o x i ซ i z e d L D L คอเลสเตอรอลสูงแต่ต้องการให้มี H D L คอเลสเตอรอลมากๆจำง่ายง่ายว่า High คือเราต้องการให้มันหาย และโลเพราะเราต้องการให้มันโลการจะเพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลและลด LDL คอเลสเตอรอลทำได้โดยการออกกำลังกายและกินผักผลไม้ที่มีวิตามินเบต้าแคโรทีนกับธั ญ, ญพืชที่มีวิตามินอ e ีเยอะส่วน VLDL คอเลสเตอรอลจะขึ้นสูงเมื่อไตกิีสลายสูงโดยเรากินหวานกินผลไม้มากไปกินเหล้าเบีย Y ก็จะมีผลทำให้ไตกีรีสลายสูงเมื่อมีมากร่างกายก็จะส่ง VLDL คอเลสเตอรอลมามากเพื่อลำเลียงไปอยู่ใต้ผิวหนังทำให้อ้วนนั่นเองเราจะทำให้ต่ำลงได้ก็โดยการคุมอาหารและออกกำลังกายช่วงเรื่องน่ารูกับสมุนไพรข้าวตอง